คำว่าธรรมาุธรรมาปฏิบัติก็คือปฏิทินรมย่อยคล้อยแก่ทำใหญ่หรือปฏิพฤติปฏิพฤติทำให้ถูกหลักเนี่ยนะถ้าพิจารณาอย่างที่บอกว่าพระพุทธเจ้าตรัสนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายทำสี่อย่างเหล่านี้จเจริญแล้วทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประจักษ์แจ้งประจักษ์แจ้งในโสดาปฏิผลเพื่อประจักษ์แจ้งสกท า, าคามีผลเพื่อประจักษ์แจ้งอนาคามีผลเพื่อประจักษ์แจ้งอรหัตตผลถามว่าสี่อย่างนั้นคืออะไรคือสัปปุริ สังเสวะคือการคบสัตวบุรุษสัตรธรรมมัตสวรณะคือการฟังพระสัตธรรมโยนิโสมณสิการการทำไว้ในใจโดยแยกขายการใช้ความคิดถูกวิธี ถูกทางเนี่ยธรรมานุธรรมะปฏิบัติก็คือประพฤติทำย่อยคล้อยแก่ทำใหญ่คือประพฤติทำย่อยค้อยแก่โลกุตละธรรมเนี่ยการเสรวนาสัตว์บุรุษก็คือการครบพระพุทธเจ้าสูงสุดก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยตามสุดก็คือกลุ่มสัตบุรุษกลุ่มคนดีทั้งหลายนั่นแหละหรือบางกลุ่มเขาเรียกว่ากาลยานามิตรคื้นนําไปสู่ละเมื่อครบบุคคลเหล่านี้ก็นําไปสู่ปราโภปรโตโคสคือครบกลุ่มบุคคลเหล่านี้เหมือนกับการคบพระไตรปีดก คบคำสอนของพุทธเจ้าศึกษาคําสอนของพูทธเจ้านี่เป็นกลุ่มของประโตโคสะปัจจัยคือปัจจัยที่จะทําให้สัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นเลยเหมือนกับการครบคนดีทั้งหลายนี่ก็เหมือนกันอันนี้กลุ่มเหล่านี้ก็เป็นประโตโคสะเป็นปัจจัยที่จะทําให้สัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นทีนี้เมื่อมีปร ะ, ประโตโคสะที่ดีแล้วก็คือการได้สดับหรือเรียนรู้ภาษาธรรม อันได้แก่หลักความจริงและความดีงามการเรียนรู้พระธรรมเนี่ยคือการสูงสุดจริงๆเิคือเรียนรู้โลกุตระธรธรมมรสี 4, ผลสีและก็นิพานหนึ่งธรรมะที่ศึกษาเนี่ยธรรมะนั้นจะต้องเป็นธรรมะส่วนย่อยที่คอยไปหาโลกุตระธรธรมทั้งหมดคือการน้อมจิตในการที่จะเรียนก็จะต้องคอยเข้าหามารสี 4, ผลสีนิพาน ก็คือจะต้องคอยขหาในการพ้นทุกข์ใช่ไหมการศึกษาการฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยวัตถุประสงค์ก็คือว่าเราเบื่อกองทุกข์มากทํายังไงจะพ้นจากกองทุกข์ทีนี้ถ้าประการต่อมาก็คือว่าโยนิโสมนัสิการเนี่ยถามว่าเวลาพิจารณาโดยแยกคายพิจารณาต่อพระธรรมและปฏิบัติธรรมอย่างถูกต้องตามหลักตามความมุ่งหมายเมื่อปฏิบัติถูกหลักก็ทําให้บรรลุผล คือประจักษ์แจ้งในโซดาปฏิพันสกาธาคามีผลน า, นาคามีผลและอรหัตผลถ้าหากปฏิบัติธรรมถูกหลักเนะี่ยถ้าผิดหลัก <c oughs> กับแต่ละปาดเลยไ ม, ไม่ไม่ประจักษ์แจ้งในโซดาปฏิพันเป็นต้นอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่มีธรรมานุธรรมะปฏิบัติคือประพฤติ ธ, ธรรมไม่สมควรแก่ทำประพฤติ ธ, ธรรมไม่สมควรแก่การที่จะได้บรรลุโลกุตตะกุตตะธรรมถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าเตรียม เตรียมสร้างกรอบนั้นหนาเข้าไว้คือจะต้องไปอยู่ในบ้านที่มีพายุแรงๆจะต้องทํำยังไงวิธีการต้องทายัางไงปลูกบ้านให้แข็งแรงถ้าไปอยู่ในสภาพของอากาศที่นนนหนาวเนี่ยทางมันหนาวเหนียวแต่ไม่มีเสื้อผ้านีแค่ในโลกใบนี้บางกลุ่มบางประเทศที่อยู่เราก็เห็นเย็นอยู่แล้วบางทีจะต้องสร้างขนาดไหนต้องลงทุนลงรอนนั้นลงแรงขนาดไหนจะต้องหาวัตถุดิบต่างๆข้นขวายเหนื่อยยากขนาดไหนเพื่อที่จะนอนหลับได้นี่โอ้โห ไม่ใช่ง่ายๆเลยนะนั่นถามคืออะไรนะาำว่ามีกรรมยุติธรรมไหมยุติธรรมที่สุดแล้วทําไมเราไม่มาเกิดในกุ่นๆอุณหภูมิที่ดีๆเอาไปเกิดในสวรรค์อุณหภูมิดีๆแล้วเป็นยังไงอัศาธาตุมากติดเข้าอีกแล้วเพราะอัศาธาตุมากติดก็เพลิดเพลินลหลงไหลอยู่อย่างนั้นแหละที่สุดจริงๆก็ตายด้วยความโลภ บ, บังโกรธบ้าง แล้วก็หลงมาอาบายทุกติวินิบาตนารกเอาอีกแล้วถามวันนี้เลยมันเป็นอย่างเงี้ยยามใดอัศส า, าเกิดขึ้นมาสุขสมมานัสเข้าให้มามากก็สร้างราคะ สร้างความเพลิดเพลินยามใดที่ปฏิฆะหรืออาทีนวะเกิดมากปฏิฆะปฏิฆาเนืสัยก็มีกําลังสรุปแล้วก็คือว่าเราเนี่ยถ้าไปอยู่ในพภพภูมิที่มีอาสาท่ามากๆก็ไปทํากรรมที่มีโลภะเป็นประธานถ้าไปอยู่ในพภพภูมิที่มีปฏิฆะคือความเจ็บปวดอาทีนวะมากๆแล้วทํากรรมที่ประกอบปฏิฆะคือโทสะเป็นประธาน โมหะเป็นใหญ่อยู่แล้วไม่ต้องพูดถึงถามแล้วมันน่าอยู่ตรงไหนเนี่ยที่พูดไปพูดมาเนี่ยว่าต้องการให้ให้เกิดสัมมาทิฏฐิแบบในน้อยเนี่ยคล้อยตามสัมมาทิฏฐิแบบใหญ่ๆนีที่พูดนี่วัตถุประสงค์คือตรงนั้นนะนีคือทํทำยังไงที่เราจะเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าเข้าใจพระธรรมและเข้าใจพระสงฆ์กันเสียทีถ้าอย่างนั้นแล้ว เ, เราก็ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามเดินตามคล้อยตามเนี่ย ศึกษาตามปฏิบัติตามเห็นตามเนี่ยมันก็ยังไม่ถึงตดี๋วนี้ลำดับแรกเอาเห็นตามให้ได้ก่อนเถอะเห็นให้ได้ก่อนใช่ไหมขนาดเห็นไม่เห็นแล้วยกจะเดินก่อนแล้วเอาเห็นก่อนเอาหเห็นก่อนว่าทางเนี่ยใช่แล้วนี่นแหมันจะได้เดินได้ไดชัดเจนบอกไม่เห็นหรอกตาบอดเด็กขอคนจุงหน่อยหาว่าใครจุง ไม่รู้เลยใครส่องไม้มารับรับทุกไม้ไปเรื่อยใครชวนไปไหนบอกไปเรื่อยขอให้ชวนไปไม่มีหลักเลยตอเนี้ อ, อยาให้เป็นอย่างนั้นถึงบอกว่าศึกษาไว้ใช้สมมาทิทฐิสูตรต่อมาถ้าใครมาชวนบอกว่าใช่สมมาทิฏฐิว่าแต่สมาทิฏฐิไปถ้าไม่ใช่ถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิกก็พักไว้ก่อนไม่ไหวแล้วผิดมานัานแล้วคน ยอมรับเลยว่าผิดมานั้นบัคขาพเจ้าหลงทางมานานแล้วขอเดินถูกทางเลยทีเดินถูกทางเดินยังไงเดินตามพระพุทธเจ้ากันเลยบอกเอาคนที่บอกเขาก็บอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยถามว่าตรงสำมาทติตรีสูตรไหมใช่ไหมตรงไหมท่านบอกเดินตามอาจารย์โน้นอาจารย์นี้เลยพักไว้เลยนะบอกว่าพักแล้วข้าพเจ้าเดินจนเหนื่อยแล้วในวัดตานี้เขาไปเดินจนเหนื่อยแล้วเดินตามเกียจจิทั้งหลายนะบอกขอเดินตามพระพุทธเจ้าอะถ้าจะเดินตามพระพุทธเจ้าต้องรู้จักใช่ไหย รู้จักสัมมาทิฏฐิของพระพุทธเจ้าจริงไม่จริงต้องรู้จักสัมมาทิฏฐิของพระพุทธเจ้าอาจจะรู้จักได้ก็คือต้องฝังว่าพระพุทธเจ้ากล่าวสัมมาทิฏฐิแล้วภาษาลิบุตรถ่ายทอดสัมมาทิฏฐิสูตรนี้อย่างไร น, นี่ถ่ายทอดจากพระพุทธเจ้ามาทันทีนะแล้วให้ดูว่าระดับของอักระาสาวกเบื้องขวา คือท่านภาษาริบุตรเนี่ยเวลาจะสนทนากับพระเนี่ยท่านสนทนากันอย่างไรและคำสอนนั้นน่ละเอียดละอถอีทุน่นปั่นใดปัญญาอย่างเราเนี่ยค้อยตามที่จะฟังเพื่อจะให้เข้าใจถูกต่อพระธรรมนั้นควรจะทำอย่างไรมันมี้ก็ตั้งจิตให้ถูฉะนั้นในหลักของการพูดที่ประกอบความเข้าใจนี่นะ ในการที่จะเข้าใจพระรัตนตรัยได้อย่างถูกต้องคือการคล้อยตามดังที่ได้กล่าวไว้แล้วเนี่ยเขาถึงบอกว่าเป็นสัทธรรมัสยวนาสัพปุริสังเสวะสัทธรรมมัสยวนาโยนิโสมนัสิการแล้วก็ทำมนุธรรมปฏิบัติเนี่ยเนะี่ยก็ให้พิจารณาบอกว่าการที่เราจะปฏิบัติธรรมโดยสมควรแก่ธรรมนั้นนะควรปฏิบัติในลักษณะอย่างไรต่อมามาดูสัมมาทิฏฐิอันนะี้ในสัมมาทิฏฐิตรงเนี้ยนะ ในสัมมาทิฏฐิสูตรข้าพเจ้าพระนนท์ได้ฟังมาแล้วอย่างนี้ครั้งหนึ่งพระผู้มีพระภาคย้าปัะทับที่พระเชตวันอารามของท่านอนาถปินทิกะกรุงสาวัตถีตรงนี้ก็ให้รู้ว่าตอนนั้นนะพระพุทธเจ้าปัะทับที่เชตวันนะและในเชตวันมหาวิหารนะั้นหรือเชตวันอารามแห่งนี้นะั้นท่านอนานาถปินทิกะเศรษฐีเป็นผู้สร้าง ที่อยู่ตอนไหนอยู่ที่ไหนว่าอยู่กรุงสาวัตถีแล้วก็ว่าคานั้นแรคานั้นแรนคะรั้งนั้นท่านพระสารีบุตรเรียกภิกษุทั้งหลายว่า คุณนเนี่ยคุณในที่นั้นเนี่ยเป็นชื่อคำว่าอาวุโสเวลพระท่านเรียกกันเนี่ยนะพระที่พรรษา ม, มากเรียกพรรษาน้อยก็จะบอกว่าอาวุโสหรือว่าคุณนั่นเองภิกษุเหล่านั้นรับสนองคำของท่านภาษาริบุตรแล้วรับสนองในที่นั้นหมายถึงการรับทราบคำพูดของท่านภาษาริบุตรแล้วเนี่ยท่านภาษาริบุตรได้กล่าวว่าคุณ ที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิดังนี้เนี่ยด้วยเหตุกี่ประการนะเห็นไหมถามทันทีเราว่าที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิเนี่ยด้วยเหตุกี่อย่างด้วยปัจจัยกี่อย่างได้มูลเหตุเข้ามูลกี่อย่างว่างนั้นน่ยคุณบอกว่า ที่เรียกว่าความเห็นที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงนี่นะเพราะสัมมาทิฏฐิเป็นพรหมจรรย์นเนี่ยเป็นพรหมจรรย์นะถ้าสัมมาทิฏฐิระดับสูงในองค์มรรคเป็นมรรคกับพรหมจรรย์ น, นี่นะอย่าลืมนะบอกว่ า, วาการที่จะทําเข้าใจสัมมาทิฏฐิปฏิบัติทําให้สัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นในกระแสจิตเนี่ยทำกายวาจาและจิตของตนเองให้สอดคล้องให้คล้อยเปลียนสัมมาทิฏฐินั้นด้วยเหตุอีประการนะคุณ ภ า, าษารีบุตรถามคำถามในลักษณะอย่างนี้เป็นกะเทตุกรรมยตาปุจฉาถามเพื่อวัตถุประสงค์จะตอบเองผ่ายริยสาวกถามว่าเหตุกิประการนะคุณผ่ายริยสาวกเนี่ยจึงจะเป็นผู้มีความเห็นถูกต้องมีความเห็นตรงประกอบด้วยความเลื่อมใสในธรรมไม่ครรนแคลนมาสู่ในพร ะ, พะธัรพระสัตธรรมนี้เลยคืออย่างนี้ถามว่าภายะเนี่ย ภาริยาสาวกนี่นะสาวกที่เป็นภาริยะบุคคลทั้งหลายนีนะ่ในกลุ่มของบุคคลที่จะเป็นภาริยานเนี่ยจะเป็นผู้มีความเห็นถูกต้องได้เนะี่ยถูกต้องแล้วก็มีความเห็นตรงด้วยนะตรงในที่นั้นเป็นอะไรทิฏฐุชุ ก, กรรมการทําความเห็นให้ตรงตรงต่อทุกเรื่องนะตรงที่เป็นอะไรตรงที่เป็นกรรมสกตาสัมมติทิ คือเห็นกรรมและผลของกรรมถูกตรงที่เป็นวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิที่ตรงจริงๆด้วยตรงที่เป็นมัคคะสัมมาทิฏฐิคือเป็นมัคตรงที่เป็นผลและสัมมาทิฏฐิที่เป็นอายผลตรงที่เป็นปัจเจเวสัมมาทิฏฐิคือการที่พิจารณาจากการที่ตนเองหลุดพ้นการตรงนี่นะหรือว่าจะตรงยังไงรู้ไหมตรงต่อศีลวิสุทธิทิฏฐิวิสุทธิ กังขาวิจารณาวิสุทธิมค า, ขามาขาย า, นะ า, า, ายานทะัศนวิสุทธิปฏิปทายาณทัศนวิสุทธิแล้วก็ญาณนะนาทัศนวิสุทธิเห็นไหมถามว่าจะตรงต่อวิสุทธิเจ็ดยังไงจะตรงต่อวิปัสนาญาณ16บหกยังไงมีนามรูปปริเฉทญาณเป็นต้นหนึงลักษณะเี่เราถามว่าไงจะทำให้เห็นถูกต้องและตรงประกอบด้วยความเลื่อมใสในธรรมไม่ครอนแคลนถ้าเห็นตรงแล้วเนี่ยความง่นแง่นครอนแคลนในธรรมจะมีไหมจะเป็นอาจฉรัสฐานเพราะสัทวามีหลายแล รนะดับเนี่ยถามว่ามีไหมในอดีตที่ผ่านมายอมลองนึกดูในอดีตที่ผ่านมาที่เราเคยศรัทธาอะไรแล้วแล้วมันคอนแคนหมดเลยทั้งทั้งที่เรามั่นใจนะว่าถูกชิ้นนี้เราเชื่อมากเนละแต่อยู่ต่อมาตรวจสอบเบ็ดเสร็จแล้วอา้าไม่จริงอย่างที่ ตรวจสอบนะไม่ดีจริงซะอีกแล้วอเปลี่ยนวัตถุที่เชื่ออีกแล้วนี่ไหมเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอ๋อไม่ดีจริงอีกแล้ถ้าไหนสมัยเป็นหนุ่มเป็นสาวก็เชื่อวัตถุตรงกันข้ามสุเพศตรงกันข้ามใช่เนี่ยคนนี้ดีจริงๆเอาศรัทธาไปตั้งปุ๊บถามแนละ้วมันดีจริงเลยนะดีจริงทำไมเขาหันมาเล่นงานเราง หรือเราทำไมต้องไปเล่นงานเขานี่มันก็แสดงว่ามันไม่ดีจริงอยู่แล้วอก็เปลี่ยนแปลงมาแล้วหรือบางทีเราไปเชื่อไหวเหมรถคั น, นเนี้ดีแน่ๆเราสมบูรณ์แบบแน่ๆงั้นถามว้ามันดีจริงไหมนะถ้ามันทําไมต้องเปลี่ยนเราก็เปลี่ยนวัตถุที่เชื่อมาเรื่อยๆบางทีสารพัดที่เราไปฟัง คนนั้นพูดคนนี้กล่าวคนนั้นบรรยายแล้วมันมีดีจริงสักหลายไหมล่ะใช่ไหมบางทีเนี่ยวัตถุที่โฆษณาขายสินค้ากันเนี่ ย, ยทุกระบบไม่ว่าจะขายตรงขายอ้อมมาเลยก็แล้วแต่ถามแล้วบอมว่ดีจริงช่วยได้อย่างนั้นสารพัดใช่ไหมเคยได้ยินไหมเคยได้ยินไหมเรียนไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่ <S <S <S ใช่ไหมถามว่าแล้วดีจริงไหมให้เราพิจารณาอย่างนี้ถามว่าอย่างนั้นแสดงว่าอะไรคลอนแคลนประกอบด้วยความเลื่อมใสในธรรมไม่คลอนแคลนอันนี้มันคลอนแคลนเนี่ย ถึงบอกในกลุ่มเหล่านี้ยในกลุ่มอย่างภาษาลีบุตรเนี่ยถ้ารู้จักคล้อยตามอัธยาศัยของท่านหน่อยเราจะทราบว่าท่านครอนแคลนมาท่านเชื่อในวัตถุอย่างอื่นมามากแค่ในพบที่ตอนที่ท่านยังไม่ได้เป็นในปัจจุบันนะพบที่ท่านยังไม่ได้เป็นอัครส า, าวกยังไม่ได้ตัดทารู้ตามพระพุทธเจ้าจะถามว่าท่านเชื่อคนมาเท่าไหร่แล้วเชื่อรัตที่อื่นมาเท่าไหร่แล้วบางทีท่านถึงขนาดบอกว่าก้วสิกว่าสำนักที่เที่ยวเสาะหาคน้นหาแสวงหาเนี่ย เพื่ออะไรเพื่อจะหาของจริงของถูกต้องของตรงอะ่ะหาไม่เจอเพราะไปเห็นเห็น <c oughs> ในที่สุดจริงๆก็คลอนแคลนถึงบอกวัตถุต่างๆเนี่ยที่มีอยู่ในโลกเนี่ยเอามาให้วิสูตรท่านไปวิสูจน์ปรหมดเลยในที่สุดจริงๆก็เอาศรัทธาไว้ไม่อยู่เคยยังไปเห็นอยู่นั่นแหละว่ามันง่อนเงนมันคลอนแคลนพอเมื่อไปเชื่อสิ่งนี้แล้วพอสิ่งนี้ไม่จริงขึ้นมาเนี่ยตรวจสอบได้ไม่จริงขึ้นมาเนี่ยที่สุดจริงจริงคลอนแคลนอีกแล้ว พระส า, ารีบุตรเลยพุ่งไปบอกอะไระที่จะไม่ง่อนแง่นไม่คลอนแคลนได้มาสู่พระสัตธรรมนี้แล้วพระสัทธรรมคืออะไรโลกุตละธรรม9้าใช่ไหมว่าทําอย่างไรที่จะสามารถตรงต่อโลกุตละธรรม9้าคือมรสีผลสีนิพานนี่ภิกษุทั้งหลายได้กล่าวเปลียนว่าใต้เท้าครับกระผมทั้งหลายมาจากที่ไกลคือมาจากที่ไกลมากก็เพื่อจะฟังอถาธิบายภาษุนี้ในสํานักของใต้เท้าขอโปรดกรุณาเถิดครับ ไต้เท้าเท่านั้นแหละเข้าใ จ, จแจ่มแก้งเนื้อความแห่งภาสิดนี้พิกษูทั้งหลายฟังอถาธิบายของใต้เท้าแล้วจัดทากันทรงจําไว้ไอ้ตรงเนี้ยประโยคตรงนี้ต้องชัดคําว่าพิกษู่ทั้งหลายได้กาเปียนว่าใต้เท้ากับผมมาจากที่ไกลมากเพื่ออะไรคือเดินทางโมงแรมมาด้วยความไกลได้วยความเหน็ดเหนื่อยด้วยความสาหัสมากในสมัยก่อนรถล้าไม่มีนะเพื่ออะไรลนะ่ะเพื่อที่จะมาฟังอถาธิบายภาษิดนี้ ในสํานักของใต้เท้าคือในสํานักของภาษาลิบุตรนี่แหละคือปรารถนานนะีอุตส่าห์ร้อนแลมเดินทางมาด้วยความลาบากเนี่ยเพื่อที่จะมาฟังภาสิทธิ์นี้จากสํานักของใต้เท้าแล้วก็เลยบอกขอโปรดกรุณาเถิดค้ารับนี่ใต้เท้านั่นแหละเข้าใจแจ่มแจ้งเนื้อความของภาสิทธนี้คือในบรรดาในกลุ่มที่กําลังนั่งสนทนากันเนี่ยนะภิกษุเป็นจํานวนมากเลยนะ ถามว่าไม่มีใครเข้าใจได้ดีเท่ากับภาษาลิบุตรขอให้ใต้เท้าหมายถึงภาษาลิบุตรช่วยอัดถานทีบายภาสิทอันนี้ให้แจ่มแจ้งใต้เท้านั่นแหละเข้าใจแจ่มแจ้งเนื้อความแห่งพาสิทนี้ภิกษุทั้งหลายฟังอัดฐานทีบายของใต้เท้าแล้วถ้าได้ฟังคําอธิบายอัดถานทีบายหรือเนื้อความที่ท่านภาษาริบุตรขยายลึก กล่าวบอกแล้วจักพากันทรงจำไว้ทรงจำในที่นั้นน่ะพูดกรณีเบื้องต้นเมื่อทรงจำแล้วจะ เอาไปทบทวนด้วยวาจาทบทวนด้วยวาจาเบีดเสร็จแล้วจะตรึกจะจะเพ่งด้วยใจตามเพ่งพิจารณาสอนที่ท่านภาษาลิบุตรได้อถาธิบายอธิบายให้ฟังแล้วนั้นคือจะทรงจําไว้อย่างดีคือเรียนอย่างดีเลยทรงจําด้วยความเคารพฟังก็จะฟังด้วยความเคารพทรงจําก็จะทรงจําด้วยความเคารพพิจารณาพระธรรมนั้นก็จะพิจารณาด้วยความเคารพกราบเพ่งด้วยใจก็เหมือนกันแล้วก็จะปฏิบัติตามด้วยความเคารพต่อพระธรรมต่อ เพื่อเป็นการน้อมน้อมพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระเรียสุขเนี่ยลักษณะตรงนี้นี่แหละต้งบอกว่าเห็นไหมวิธีการที่ท่านสนทนากันเนี่ยเวลาฝ่ายที่จะให้กับฝ่ายที่จะรับเนี่ยสอดคล้องกันดีจริงๆนะคือเขาน้อมในการที่จะสอดคล้องดีจริงๆนะถ้าอย่างในกลุ่มในปัจจุบันนี้ บอกเร็วๆเถอะเดี๋ยวช้าใช่ไหมเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยท่านพระสารีบุตรกล่าวเตือนว่าถ้าเช่นนั้นขอให้คุณทั้งหลายขอให้อุโสทั้งหลายจงฟากะจมพากันตั้งใจฟังผมจะกล่าวให้ฟังคือบอกว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเตือนสติทันทีเลยลงทุนลงแรงมาขนาดนั้นแล้วเนี่ยคือว่าน้อมมาด้วยศรัทธาอย่างนั้นแล้วเนี่ย ปรารถนาความรู้ที่ถูกต้องตามความเป็นจริงเพื่อทำสัมมาทิฏฐิให้ถูกต้องอย่างนั้นแล้วเนี่ยขอให้คุณทั้งหลายจงพากันตั้งใจฟังนะผมจะกล่าวให้ฟังภิกษุเหล่านั้นตอบรับคำเตือนของท่านพระสารีบุตรเทรว่าพร้อมแล้วแต่เท้าแสดงว่าตรวจสอบเบ็เส็นะเนี่ยว่าตรวจสอบกายวาจาและจิตใจของตนเองตรวจสอบศรัทธาศรัทธาศีลสุตตาราคา ป, ปัญญา ตรวจสอบอินทรีย์ด้วยเนะี่ยศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาพร้อมงพร้อมไหงศรัทธาพร้อมอย่งางศรัทธาศีศรัทธาเอ่ยวิริยะความเพียรมเพียรในการที่จะจะฟัง สติในการที่จะลึกตามพระธรรมนั้นวิริยะในการเานะพีย้ยนนะสติสมาธิในการที่จะตั้งมั่นในการแต่ไม่ตั้งมั่นแบบหลับนะีเพราะมีปัญญากำกับด้วยคือจะต้องรอบรู้ให้ได้จะต้องรอรู้ประธรรมของงพระพุทธเจ้าให้ได้ท่านพระสารีบุตรได้กล่าวคำนี้ว่าคุณด้วยเหตุพระอริยอริยะสาวกผู้รู้ชัดอกุศลกับทั้งรากเง่าของอกุศลและรู้ชัดกุศลกับทั้งรากเง้าของกุศลเพียงเท่านี้แหละคุณอริยะสาวกชื่อ เรีว่ามีความเห็นถูกต้องมีความเห็นตรงประกอบด้วยความเลื่อมใสในธรรมไม่ครรคนแวนบรรลุพระสัตวธรรมนี้ได้มาสู่พระสัตธรรมนี้แล้วรู้ชัดคือพระสารีบุตรกล่าวว่าคุณด้วยเหตุที่อริยาสาวกรู้ชัดรู้ชัดในที่นั้นเป็นชื่อของ อริยมรรปัญญาที่ในอริยมรรคเนี่ยปัญญาที่ในอริยมรรคเนี่ยเป็นปัญญาที่รู้ชัดใช่是是ถ้าปัญญาที่ในกรร ม, กรรมสกตาสัมมาทิฏฐิรู้ชัดมก็ชัดในระดับกรรมปัญญาที่ในวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิก็รู้ชัดในระดับวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิคือรู้ชัดในลักษณะของอนิจจังทุกขังอนัตตา <S <S เพื่อจะเป็นปัจจัยสืบเนื่องให้เป็นเป็นไนะ เป็นมัคคสัมมาทิฏฐินะฮะหรือปัญญาในระดับของฌานนะสัมมาทิฏฐิก็รู้ชัดในระดับของฌานซึ่งเป็นรูปประฌานรูปรประฌานปฐมฌานทุติยฌานตัติยฌานเจตุทะฌานเป็นต้นเนี่ยปัญญาในระดับของมัคคสัมมาทิฏฐิก็รู้ชัดเลยไหมรู้ชัดในวัตถุประสงค์ที่ท่านภาษาลีบุตรบอกว่าถ้าชัดสูงสุดต้องชัดปัญญาในอเยมภ์แต่ถ้าชัดรองรองรองลงมาก็คือนั่นแหละฌานนสัมมาทิฏฐิวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิกรรมสักตัง ตาสัมมาทิฏฐิอันนี้ก็รู้ชัดในระดับของแต่ละเรื่องละเรื่องแต่ถ้ารู้ชัดสูงสุดคือปัญญาที่ในอรหัตมรรมปัญญาในอรหัตผลนั้นเป็นผลแต่ก็รู้ชัดในระดับของผลหรือว่าปัญญาในระดับของปัจเจเวกสัมมาทิฏฐิก็รู้ชัดในการตรวจสอบว่าเหล่านั้น ได้บรรลุถึงมารอะไรเราพ้นหรื อ, อยังเราตัดกระแสะกิเลสนั้นหมดแล้วหรื อ, อยังพ้นจากเชื้อของกิเลสที่จะเป็นเหตุแห่งกองทุกนาณาประการแล้วหรืออย่าง น, น, นก็ตรวจสอบพิจารณาอย่างเอปัญญารู้วนชัดได้แล้วก็ยังรู้กลับบ้านยังห่วงโลกเหมือนเดิมฉะนั้นปัญญาในลักษณะของการรู้ชัดเนี่ยนะคือเห็นตรงเลยนะเห็นถูกต้องมีความเห็นตรงประกอบด้วยความเรื่อมใสในธรรมไม่คลอนแคลนถามว่าถ้า เอาอย่างนี้ว่าพระโสดาบั น, นที่เป็นอจาจระสัตย์ทายแล้วพอมีปัญญาที่ในโสดาปฏิมักแล้วถามว่าท่านคลอนแคลนในการที่จะเลิกนับถือพระพุทธเจ้าไมไม่คลอนแคลนเลยเนี่ยขนาดปัญญาในโสดาปฏิมรักยังไม่คลอนแคลนขนาดะนั้นถ้าปัญญาในสกาทาคามิมรักอนาคามีมรักจะรุนแรงขนาดไหน จะมั่นคงขนาดไหนถ้าปัญญาในอาหารหัตมร ก, ก็บอกว่าพบทุกพบเหมือนไฟหมดเลยแต่ถ้าหาปัญญาในโสดาปฏิมรรคยังน้อมที่จะเกิดอีก7ครั้งคือยังจะต้องกลับมาถูกฆ่าอีกเครั้งเขาเราบอกว่าเขาเอาเกิดได้นะแต่เกิดทุกพบโดนฆ่าหมดตามบอกไม่เป็นไรบอโอ้ปัญญ า, ก, นะาก็เหนื่ยตามบอกถ้าเกิดทุกพบม่มีคนดักคอยฆ่าซุ่มคอยฆ่าหมดเลย เอาหมออกจากบ้านก็จะโดนคอยส้มโดนค่าอยู่ในบ้านดีๆนั่งดูโทรทัศน์ดีๆก็งบินยังตกมาใส่เขาฆ่าได้แหละมางคนอา้าจะเดินไปนู้นไปนี้หน่อยฟ้าเผาโรจ่ า, าจบอกไปเถอะจะหนีไปอยู่ตรงไหนในน้ำบนบกบนอากาศจะหนีไปไหนเราจะตามไป กรรมนั้นจะตามไปสังหานดันหรือว่าจะนอนนั่งยืนเดินคุยเหยียดก้มเงยหายใจเข้าหายใจออกยิ้มร้องไห้หัวเราะหรือตอนเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวแก่เท่าชราถ้าตามได้จังหวะตามค่าตามเก็บหมดหลุมดักมลนภัยรอจ้องหมดเลยเอาอะไรคุมไว้บอกนั่นแหละในนั้นแหละมีขันอยู่ตรงไหนก็จัดการเบ็ดเสร็จในกลุ่มของบุคคลนี่เขปราตาหนาจะพ้นจะกองทุกข์เขาคิดอย่างนี้บอกไม่ปลอดภัยเลยชีวิตนี้ไม่ปลอดภยัย ความคิดอย่างนี้เป็นสมาธิตีเบื้องต้นมนะบางคนโอ้ยถ้าคิดอย่างนี้ไ ม, ไม่สุขเลยยังมีแต่ทุกข์ยัง ไ, ไ, ไถ้าคิดอย่างนี้เราจะกังวลตลอดไหมไม่เลยท่านจะไม่ประมาทตั้งหาท่านก็จะเริ่มหาปัใจจัยในการที่จะทำให้ท่านนั้นนะ่อยู่รอดและปลอดภัยไดย้น้อมก็หาเลยทานศีลภาวนา ศีลสมาธิปัญญาท่านก็จะน้อมเข้าหาเนี่ยน้อมก็หาได้ถูกต้องมากขึ้นนี่เป็นอย่างนั้นถ้าจะเข้าใจตรงนี้ให้ชัดเจนนะบอกว่ารู้ชัดอกุศลกับรากเงาของอกุศลไม่เหมือนกันนะอกุศลกับรากเงาของอกุศลไม่มีชีวิตที่จะดีขึ้นดีขึ้นไม่มีไม่มีเลยนะตั้งแต่เกิดมาเนี่ยถามว่าชีวิตจะค่อยๆดีขึ้นไหมค่อยๆแย่ลงน ตาก็แย่ลงหูก็แย่ลงองมันเยอะเข้าแย่ล่งเล่า ม, ม, มันไม่มีอะไรดีขึ้นจาสิเวลาไปหาใครเวลาใครให้พรบอกขอให้ดีๆดีที่ไหนหัวเขาไม่ดีแล้วบอกหัวเข่าเนี่ยไม่ดีแล้วบอกไปหาหมอ ก็วัยนี้แล้วหมอฟื้เงินสามตำเงินก็วัยนี้แล้วอัตาทําไมเป็นอย่างนี้ละอ๋อแก่แล้วใช้มามากแล้วเอ๊อย่างนี้ไม่มาหาหมอก็ได้นี่ทำไมอย่างนี้ผมก็คือไปให้หมอก็บอบใจตามเง้ย ห, ห, หมอเข ใ, ให้หมอก็พูดตามคว่าจริงบางทีถ้าไม่เชื่อหมอเลยเดี๋ยวไปหาพระถ้าไม่เชื่อพระแล้วนูว่นแล้วไปหาเมรุหมดเลยตอเนี้ย ใช่ไหมพระพาก็จะต้องไปเหมือนกันเนี่ยโลกิยาสมาธิตีน่ะเห็นภัยหมดเลยต่อมาคืออาทีนวะเห็นด้วยความเป็นทุกข์โทษประการต่อมาก็คือว่าเบื่อหน่ายแล้วคนที่เห็นด้วยความเป็นโทษปัญญาเริ่มเบื่อหน่ายจริงๆลแล้ยตอนนี้เนี่ยเป็นโลกิยานะีเริ่มเบื่อหน่ายแล้วบอกโอ้อันนี้ก็น่าเบื่อนั่นก็น่าเบื่อนี่ก็น่าเบื่ อ, อมันน่าเบื่อหมดนี แม้ต่ความคิดของตนเองยังน่าเบื่อเลยถ้าอย่างนี้ถือว่าชัดแล้วเนี่ยแต่ถ้าบอกว่าสิ่งอื่นน่าเบื่อหมดที่น่าลักความคิดอยู่คนเดียวอันนี้ไม่ใช่นิพิทาแล้วอันนี้ไม่ใช่แล้วอย่างนี้ความคิดผิดแล้วเพราะสิ่งอื่นน่าเบื่อหมดเนี่ยแต่ความคิดของเราเท่านั้นที่ไม่น่าเบื่อคนอื่นน่าเบื่อหมดเราเท่านั้นที่ไม่น่าเบื่อ ตาของคนอื่นก็น่าเบื่อตาของเราไม่หน่าเบื่อหูของอื่นก็หน้าเบื่อหูของเราไม่น่าเบื่ อ, น, อ, น, น, อ, น, อนี้ไม่ใช่นิพิทานะถ้าเบื่อคือเห็นอะไรเบื่อแต่ไม่ใช่เบื่อแบบกินข้าวไม่ได้แล้วเบื่อนี่กินกินก็แบมันไม่อยู่เขย่อนออกมางี้เบื่อแล้ือกินกินอาหารไม่ได้อย่างนั้นไม่ใช่นิพิทายาน เพราะเป็นความเป็นนิพิทาที่ที่ไม่มีปัญญาเข้ากำกับนิพิทาที่จะเป็นปัญญาที่เข้าไปกำกับจะต้องเป็นนิพิท า, า่าจะต้องมีปัญญาคอยตรวจสอบพิจารณาที่เป็นสัมมาทิฏฐิที่เป็นโลกิยะที่เป็นวิปัสสนาสูงสูงขึ้นไปเนะี่ยประการต่อมาคือว่า เมื่อเบื่อแล้วไข้จะพ้นพิจารณาตรวจสอบดูโอ้หน้าพ้นจริงๆหาอุบายวิธีพ้นล้ประเภทที่ล้วงเข้าไปในสมเนี่ยนึกว่าเป็นปลานึกว่าเป็นของดีๆคว้าดึงกำขึ้นมานกลายเป็นงูเงี่ยเห็นหัวแฉกเงี่ยใช่แล้วเราก็จะต้องหาอุบายแล้วเจรจาเดี๋ยวนั้นก็จะกลัวเป็นโทษอุบายวิธีตรงนี้จะเกิดขึ้นมาทันทีให้ปัญญาในการที่น้อมหาพระธรรมน้อมหาพระเจ้าเดินตามพระเจ้าในการพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงกลัมาต่อมา เป็นปฏิสังขาแล้วประการต่อมาคือว่าอนุโลมอนุโลมอะไรอนุโลมคล้อยตามเห็นไหมคล้อยอตามอริยสัจอะไรตัเนี้ยเพราะไม่ให้อริยสัจคล้อยมาหาเราเราดี่จะคล้อยก็หาอริยสัจคล้อยก็หากําหนดทุกรู้รอบรู้ในทุกข์มากยิ่งขึ้นนะนืละสมุไทยมากให้ที่มันเกิดขึ้นที่จะเป็นเหตุของความทุกข์เพื่อจะทํานิโรธให้แจ้งแล้วก็จเจริญอริยมรรคให้บริบูรณ์ได้ อย่างนี้เขาเรียกว่าเริ่มปฏิบัติทำคล้อยคล้อยแบบแรงแล้วนะถ้าอย่างนี้ถือว่าแรงแล้วไอตอนเบื้องต้นนะ่ะคล้อยแบบไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ตอนไหนศรัทธาปัญญาดีหน่อยก็ดูคล้อยเอาจริงเอาจังนะเอาแน่นอนแล้วตรงนี้ไปแล้วใครสะกิดแล้วไม่เหลียวหลังแล้วอะไรนะพอไปไปมาโดนสะกิดเล็กน้อยบอกตั้งแต่ทีแรกแล้จ่ายหน่อยมาแล้วแต่ว่าแข็งแรงดือ้อ ทำท่าว่าไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่คล้อยตามแต่ที่ไหนได้ใจยังร้องหาเสียงเรียกออกมาอลไรชะให้พักมือ น, นะถ้อย่างนี้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่สมาธิติเอ่มมิจฉาทิฐิเนี่ยดูดูค่อนข้างจะมีกำลังไหมความเห็นผิดเนี่ยดูค่อนข้างจะมีกำลังนะครับทำไมถึงจะมีกาลังก็เราเสพเขามาเยอะคือเราคุ้นเคยเราเสพเราสมาคมกับเขาโคบขาเข า, เข า, เขา เอาแค่ okay. พบนี้ก็มากมายอยู่แล้วและในอดีตจะพบอีกฉะนั้นอย่าแปลกใจเลยมิจฉาทิฏฐิทาไมแล้วอย่าลืมนะว่ า, วาในบรรดาสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเนี่ยในบรรดาพวกครุก ร, รมเนี่ยมิจฉาทิฏฐินั้นเป็นกรรมที่หนักที่สุดนะหนากว่าอะไรรู้ไหมหนักกว่ามาตุคาสปีตุคาสอรหันตคาสโลหิตตุปบาทแล้วก็สังเกทดูสิเนี่ยเพราะอะไรนะ พระเทวทัตเนี่ยทำลายพระพุทธเจ้าเพราะสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิเพราะมิจฉาทิฏฐิใช่ไหมพระเทวทัตที่ยงุยงสงให้แตกจากกันเพราะสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิเพราะมิจฉาทิฏฐิเช่นพระพุทธเจ้าบอกว่ามิจฉาทิฏฐิเนี่ยเป็นบาปที่รุนแรงที่สุดกว่าในบรรดาเป็นกรรมที่หนักที่สุดกว่าในบรรดากรรมทั้งหลายที่เป็นอนันตเรียกรรมนั้นถ้าพิจารณาอย่างนี้ถามว่าถ้าทิฏฐิในน้อยเกิดขึ้นในกระแสจิตแล้วถามเราคุมปริมาณมันได้ไ้มเราคุมเชื่อได้ั้ม เชื้อมาเร็งตัวนี้เราคุมได้ไหมใหม่ๆมันเห็นแค่เป็นตัวเป็นตนแค่นั้นแหละสั ก, กะยะสักใยะในที่นี้เห็นด้วยความเป็นตัวเป็นตนในมิจฉาทิฏฐิกันไมใหม่แค่ตรงนี้แต่ถามว่าอย่าให้ได้เหตุปัจจัยนะอย่าได้อาหารของเขาเนี่ยถ้าได้อาหารได้เชื้อได้เหตุปัจจัยแล้วมันจะขยายขึ้นโตขึ้นโตขึ้ น, นในที่สุดจริงๆอ่ะพ่อไม่มีคุณเริ่มหนักแล้วนะขนาดพ่อแม่ไม่มีคุณแล้วนะให้ทานไม่มีผลแล้วการเส้นสวงบูชานี่ไม่มีผลแล้วโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มี สัตว์ที่ตายแล้วจากโลกอื่นมาโลกนี้ไม่มีตายจากโลกนี้ไปโลกอื่นไม่มีโอปาติกะสัตว์ตายแล้วผุดเกิดขึ้นน่ยไม่มีพระเจ้า ต, ตรัสรู้ชอบได้โดยตนเองแล้วก็ทําให้แจ้งในโลกทั้ง3ามเนยไม่มีไม่มีคนจะมาคิดเองตรัสรู้เองเนี่ยไม่มีแล้วถ้าอย่างนี้รุนแรงจัดแล้วมันไปจากเล็กๆไหมถ้าใครคิดจะเลี้ยงมิจฉาทิฐิเข้าไว้ก็ให้รู้ว่านั่นแหละคือเชื้อมาเลงมันกาะนั่นแหละเดี๋ยวมันก่อแล้แล้วมันมาก น่กเข้าน่าเข้าแล้วข้าพเจ้าตกแต่เพียงพูดเดียวคนอื่นผิดหมดเขาหางั้นเนี่ยเราไปดูดิ เขาคิดตัวเงินเลยเนี่ยไปนึกว่าราคาพเจ้าก็ยังไม่พ้นเนี่ยในกลุ่มของวิปัสสนาสมาธิฏฐิเอ่อในกลุ่มของโลกียะสมาธิฏฐิแม้ไปถึงโคตรภูญานยังเป็นโลกียะสมาธิฏฐิอยู่เลยขนาดมีโลกุตระธรรมเป็นอารมณ์แล้วนะส่วนโลกุตระสมาธิฏฐินั้นนับเอาตั้งแต่มัคสมาธิฏฐิผลสมาธิฏฐิเนี่ยสกลุ่มนี้เป็นโลกุตระสมาธิฏฐิปัจเจเวสมาธิฏฐิยังเป็นโลกียะสมาธิฏฐิอยู่เลยปัจเจเวสมาธิฏฐิเนี่ยย แต่เป็นโลกิยาที่เข้าไปตรวจสอบดูโลกุตระและโลกิยาว่าได้ถึงชั้นไหนแล้วละอะไรไปได้บ้างแล้วเหลืออะไรละอะไรเป็นเรื่องของธรรมดานในขณะที่ทหารนี่นะเขาไปเคลียร์พื้นที่ต่อสู้กระโจนผู้ร้ายเสร็จเร็จเนี่ยก็จะมีชุดหนึ่งใช่ไหม คณรรมกาชุดเคลียพื้นที่ใช่ไหมบางทีก็ต่อสู้กันเบ็ดเสร็จแล้วนี่นะเบ็ดเสร็จชุดนั้นไปแล้วต่อมาก็มีชุดอีกชุดหนึ่งมาปุ๊บเลยมาเคลียพื้นที่เหมือนปัจเจเวคณาญาณเนะมรรคจิตเกิดแล้วผลลจิตเกิดแล้วที่เป็นโลกุตระเกิดแล้วต่อมาคือปัจเจเวคณาเข้ามาเคลียละอะไรไปได้บ้างเหลืออะไรบ้างมรรคเป็นยังไงมรรคไหนมรรคไหนที่ไปทําการทําลายกิเลสอานี้กำหนดรอบรู้ในอริยสัจสวัสดามรรคสกาธาคามรรคนาคามรรคหรืออรหัตมรรคให้ตรวจสอบเลยและผลผลอะไร และกิเลส ท, ที่ละไปละกิเลสอะไรและที่เหลือนั้นคือกิเลสอะไรมักในนี่นั้นเอาอะไรเป็นอารมณ์ก็รู้พานิพานนิพานของใครอ่ะนิพานของโสดามักหรือสกท า, าคาร์มักเป็นต้นเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกว่าปัจเจเวกขณะจึงเป็นโลกียาสัมมาทิฏฐินี่นะไปตรวจสอบพิจารณาอย่างนี้นี่จะจะทำให้ชัดเจนขึ้นนะนะในการศึกษาสัมมาทิฏฐิตรงนี้ก็เอาไว้ตรวจสอบฟังกันด้วยบอ จะได้เออเนี่ยสมาธิฏฐิทีททท่เริ่มชาร์จขึ้นมาทีนี้ประเด็นต่อไปคือในจํานวนสัมมาธิฏิทั้งสองอย่างนั้นกรรมสกตา ส, ส, สัมม า, า, าญานกรรมสกตายาณปีชาอย่างรู้สัตว์มีกรรมเป็นของตนตรงนี้จริงๆแล้วท่านให้ตรึกอย่างนี้น ะ, ะอย่างที่ได้บอกแต่ที่แรกน ะ, ะมีกรรมเป็นของของตนเนี่ ย, เ ป, น เ, นยเป็นผู้มีกรรมเป็นทายาทคือเป็นทายาทของกรรมมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์คือมีกรรมเป็นญาตินั่นเองมีกรรมเป็นที่พึ่ง เราทำกรรมใดไว้ดีหรือชั่วเราจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนะั้นกรรมจำแนกศาตว์ให้เลวและประนีตใช่จำแนกไหมจำแนกให้เลวก็ได้ให้ประณีตก็ได้คำว่าเลวในที่นั้นคือให้หยาบ และก็ประณีตคําว่าเลวคำนี้ไม่ใช่ว่าเลวชั่วชานะ้าเนี่ยแต่คือหยาบนั่นเองยกตัวอย่างเช่นสัตว์ดิ da ฉ า, านเป็ดอสุรกายสัตว์นรกหยาบไหมในบรรดาสัตว์ดิ da ฉ า, านบางกลุ่มก็หยาบมากพิสดานมากพระเจ้าเคยตรัสนะดูก่อนฟิกตัทั้งหลายเรายังไม่เคยเห็นสัตว์อย่างอื่นเนี่ยที่จะวิจิตพิสดานเท่ากับสัตว์ดิ da ฉ า, านไม่มีเลยในบรรดาสัตว์ที่วิจิตพิสดานนั้นน่ยสัตว์ดิ da ฉ า, านนี่นะในวิจิตพิสดานมากนะได้ถามบอกว่าในบรรดาสัตว์ ทั้งหลายที่อยู่ในโลกเนี่ยถามว่านับไม่ได้พระเจ้าใช้คําว่านับไม่ได้นวณไม่มากมายจริงจริงอะ่ะไม่ใช่น้อยเลยมากมายขนาดนั้นแล้ว เ, เรามีโอกาสเป็นได้หมดอะ่ะมันอยู่ที่เหตุปัจจัยจะถึงเขาไหมนะถ้าเหตุปัจจัยถึงเมื่อไหร่ไปเป็นท่นนี้นะได้เหตุได้ปัจจัยเมื่อไหร่ก็ปฏิสนธิก็เรียบร้อยอย่าคิดแนวะว่าเรากินปลาแล้วจะไม่ได้เป็นปลาไม่อย่าคิดแนะวเราไปดูอุ้ยปลาตัวนี้งามจริงจริงอ่ะเพอะเชื้อแล้วพอเชื้อปฏิสนธิไว้แล้วเนีย่ยเรียบร้อยแล้ว เมื่อไหรจะมาไก่บอกลังยังมีอยู่ยเยอะบอกโอ๊ยนกตัวนี้งามมากนะเพาะเชื้อทันทีเนะี่ยพาะเชื่ออะไรตันหาตัวสินี้ห์ตัวยางเหนียวได้เพราะเชื้อมับพข้างหนแล้วน้อมที่จะไปโอ้ง่ายยิ่งนะบางทีสงสารพยายามสงสารนี่เป็นนะสงสารไปสงสารมาชอบพูดเขาดีนะเขาน่ารักนะไปกลับบ้านที่ใดก็วิ่งมาต้อนรับเคยไหมกลับบ้านที่ใดวิ่งออกมาต้อนรับเลย เห็นเขาได้เลยหน้ารักงทุกทีเอาดูว่าสัตว์ที่อยู่ในตัวเขามีมากเท่าไหร่เรามีโอกาสเป็นได้หมดไม่ไม่ผิดแปลกกว่าเขาทั้งหลายโอ้เรื่องกรรมนี่ลำบากจารณาอย่างนี้เคยตรึกบ่อยๆไหมถ้าตรึกบ่อยๆแล้วเราก็จะเริ่มรู้นะโอ้ยถาญาทุกวันยังเห็นเลยใช่ไหม ถามว่าเราจะหนีไปตรงไหนเนี่ยเรามีโอกาสหมดเลยบอกโอ้เดี๋ยวตรวจสอบไม่ได้ว่าทาศีลให้เกิดขึ้นมากๆเลยแล้วเราจะเริ่มรู้ว่าอะไรควรเดินไปทางไหนอย่างนี้เดี๋ยวสมาธินี่ก็เรียกกรรมสกตาสมาธิคําว่ากรรมมรรคตาสมาธิหรือกรรมสกตายานคือปัญญาที่ไป ร, รู้ว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเนี่ยสัตว์ในที่นั้นรวมเราด้วยไหม รมมีกรรมเป็นของของตนเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยทำกรรมไว้ได้ทำกรรมใดไว้ดีหรือชั่วเราจะต้องเป็นผู้รับผลเราจะต้องไปรับมรดกเราจะต้องไปเป็นทายาทเรามันเป็นของของเราเนย กรรมกรรมนั้นที่เราทําไปที่เป็นกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมมันเป็นของของเราหนิพิจารณาอย่างนี้ประการต่อมาคือสัจจานุโลมิกยานปี่ชาเป็นไปโดยสมควรแก่การกําหนดรู้อริยสัจสัจจานุโลมนี่คือการอนุโลมไงอนุโลมคอยตามอริยสัจอนุโลมคอยตามอริยสัจเนี่ยเขาเรียกว่าสัจจานุโลมมิกยานคือยานปัญญาที่คอยตามในการที่ว่า ไปจะกับจะไปกําหนดรู้อริยสัจนั่นแหละไปกําหนดรู้ทุกไปกําหนดรู้ทุกขสมุทัยไปกําห น, รนรดหนรู้ทุกขานิโรธไปกำหนดรู้ทุกขานิโรธคาเินีปฏิปทาเนี่ยปัญญาที่ไปกําหนดรู้อริยสัจอย่างนั้นเขาเรียกว่าสัจจญาณที่ลมมิกฉาญาณมีบา้างหรือยังมีหรื อ, อยังญางบบณาาตัว น, นี้นับวิปัสสนาญาณเป็นต้นไปนะโลกีสัมมาทิฐิส่วนปัญญาที่สัมปยุทธ์ด้วยอริยมรรคอริยผลชื่ออโลกุตระสัมมาทิฐิคือท่านบอกให้รู้บอกว่ากรรมมัศกาตญาน สัจจานุโลมิกญาณเนี่ยชื่อว่าโลกียสมาธิถินะเป็นโลกิยสมาธิถินะเหมือนกับที่แยกแยะโลกียสมาธิถี่มาอย่างค่อนข้างที่จะตามลำดับให้พวกเราได้ฟังกันมา อันนันคือโลกีย้ยสมาธิถิเอ้ยนี่ก็ตรวจสอบดูพวกเรานในกลุ่มที่ศึกษาพระธรรมทั้งหลายเนี่ยถ้าโลกีย้ยสมาธิถิเกิดจริงๆเนี่ยมองเห็นใครเนี่ยกำหนดเห็นกรรมคือมองแล้วปุ๊บเนี่ยกรรมกรรมปรากฏเลยทุกๆทวารไอ้ะี่อย่างนี้ชั้นแล้วสมาธิถิเบื้องต้นเกิดพอเห็นนั่งฟังพระธรรมปุ๊บเนี่ยก็รู้ทันทีว่าเนี่ยท่านบุญนี่กำลังกระทำกุศลกรรมเรืออกุศลกรรมเริ่มรู้แล้ว ตรวจสอบคติข้างหน้าก็ได้เห็นไหมตรวจสอบได้เลยว่าที่ฟังเนี่ยเจตนากรรมที่ฟังลงไปความจงใจในการที่เป็นบุญหรือเป็นบาปเกิดขึ้นในขนาดนั้นถ้าเป็นบุญนี่ถามว่าอัธยาศัยจะขนาดไหนเอาอย่างนี้ดีวกว่าว่ามันถูกะเทพบุตรจําได้ไหมมันดูกะเทพบุตรเทพเทวดาที่เคยเกิดเป็นกบฟังธรรมอยู่พระพุทธเจ้าสัตว์ดิราฉานฟังธรรมพระพุทธเจ้ายังได้วิบากดีปั่นนั้นน่ยและที่สุดจริงๆเป็นปัจจัยการบรรลุธรรม จริงๆอยู่ที่ความจงใจความตั้งใจเจตจํานงที่จะฟังให้เข้าใจยริงๆคือขนาดฟังไม่เข้าใจแต่ฟังให้ได้ศรัทธามองออาไหมเนี่ยนี่เขาเรียกว่าอุ้ยวางจิตถูกแล้วตั้งจิตฟังให้ได้ศรัทธาน้อมจิตฟังให้ได้ศรัทธาเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกว่าได้แล้วยอมพิตั้งถูกอย่างอัตตสมาปนิทิเริ่มตั้งถูกหนึ่งแต่ในขณะที่ตั้งถูกมีบ้างไม้มจีน้ํามิทะเข้ามาแทกมีบ้างใช่ไหมพอมีก็รีบขจัดออกขจัดออก ทำไมต้องขจัดออกไม่อยากตั้งจิตไว้ผิดแนตะ่ต้องพยายามขจัดออกเพราะจริงๆนี่ก็มันฝึกไปเรื่อยๆเงี้ยเดี๋ยที่สุดจริงๆก็เริ่มในการที่จะตั้งกระแสจิตได้ถูกให้ลำดับแรกคือตั้งแบบนี้พอเห็นว่าให้กําหนดลงกรรมและผลของกรรมได้ยินก็กําหนดลงกรรมและผลของกรรมกําหนดบ่อยๆเถิในทุกๆทวารทุกๆอายตนะทุกๆขันแล้วเราจะเป็นบุคคลที่มีกรรมมรกคตายานได้ถูกต้องไอตรงนี้แหละโลเกียะสมาธิ ในเบื้องต้นถึงจะเกิดอันนี้เป็นการตรวจสอบนะถ้าไม่ตรวจสอบไม่พิจารณาไม่เข้าใจตรงนี้เดี๋ยวต่อไปยิ่งไปศึกษาในเรื่องของกรรมเลยนะโอ้โหจะทะละุมากเลยตอนนี้เอ๊ะคำว่า พรากรรมนียจะน้อมก็หาอะไรน้อมก็หาอะไรเป็นชนกกรรมอะไรเป็นกรมที่แต่งให้เกิดอะไรเป็นอุปธรรมพวกกรรมกรรมที่คอยอุปธรรมอะไรเป็นอุปปีรกกรรมกรรมที่เบียดเบียนอะไรเป็นอุปคาตกรรมกรรมที่ตัดรอนใช่ไหมหรืออะไรที่เป็นทิฏฐาธรรมเวทียกรรมกรรมที่ทําแล้วให้ผลในภพนี้อะไรเป็นอุปชาเวทียกรรมกรรมที่ทําแล้วให้ผลในภพถัดไปอะไรเป็นอัปราปราเวทนียกรรม ก ร, รมที่ทําแล้วให้ผลในภพที่สาเป็นต้นไปก็จะรู้ว่าหนี่ชาวนาดวงที่หนึ่งนี้เป็นชาวนาดวงที่7นี่ชาวนาดวงที่สองถึงดวงที่6กว่าอ๋อเป็นกรรมยังไงฉะนั้นทุกชาวนาให้ผลหมดเลยนะแม้แต่ชาวนาในความฝันยังให้ผลในประวัติการได้ถ้าเข้าใจอย่างนี้ก็จะเริ่มตรวจสอบกรรมดูแล้วก็จะรู้ว่าอะไรเป็นครุกรรมกรรมหนักอะไรเป็นอาสนกรรมเนืกรรมที่ทําใกล้ตายอะไรเป็นอาจินกรรมกรรมที่ทําเสมอเสมอ อะไรเป็นกตัดตากรรมหรือกตัดตาวาพณกรรมกตัดตาวาพณกรรมคือกรรมประเภทไหนกรรมประเภทที่ไม่เป็นครุกรรมมาจินนกรรมอาสันนกรรมเอาแล้วจะเป็นยังไงตรวจสอบยังไงบอกก็กรรมในเชวหน้าดวงที่สองถึงดวงที่หกน้แต่กรรมอื่นไม่ส่งผลนู่นแหละไอ้หลายล้านล้านโกดนั่นแหละมันจะตามมาส่งผลในปฏิสนิการไม่ต้องกลัวว่ากรรมจะไม่ส่งยังเหลืออีกเยอะกรรมยังเหลืออีกเยอะเขาส่งแน่แนไม่ต้องกลัวอย่างนี้ก็เริ่มเข้าใจ แล้วจะเข้าใจเกี่ยวกันในเรื่องของเกี่ยวในเรื่องของกามาวจลกรรมรูปาวจรกรรมอรูปาวจรกรรมและกันในที่สุดจริงๆจะเข้าใจอะไรนะกรรมดําให้วิบากดําหมายถึงอะไรเนี่ยอกุศลกรรมที่กำลังจะไปรู้ชัดกันเนี่ยกรรมดําให้วิบากดําอกุศลกรรมนั่นเองให้วิบากเป็นอกุศลวิบากกรรมขาวให้วิบากขาวกุศลกรรมนั่นเองให้วิบากขาวกรรมทั้งดําทั้งขาวให้วิบาก ทั้งดำและขาวก็กลุ่มนมนุษย์นี่ไงใช่ไหมเรานี่ยโอ้โหคราค่าเ ข, ข, ข้ามาเพียบเลยเนี่ยน้ำใสน้ำดำเราทำทั้งบุญและบาปล้วก็เจอสิ่งที่ดีและไม่ดีใช่ไได้ร่างกายมาก็ได้โรคมาด้วยได้หัวมาก็ปวดหัวด้วยอะไรเงี้ยนะได้ตามาก็ปวดตาด้วยได้หูมาก็แมม เดี๋ยวน้ำหนวก็เล่นอีกันโอ้เยอะแยะหมดนะได้ฟันมายังทุกข์พฟันเลยถ้ารู้ว่าให้ของไม่ดีคุณภาพไม่ดีอย่างเงี้ยไม่อยากเอาเลยนะแต่ตอนทำเนี่ยทำไม่ค่อยดีแต่ตอนคุณภาพจะเอาดีๆงเงม้ยก็ไม่รู้จะทำยังไงให้หัวใจมาหัวใจนึ่งก็โอ้โหลําบากเหลือเกินลยนะถ้าไปพิจารณาอย่างนี้ก็เริ่มจะเข้าใจแล้วก็จะชัดเจนในเรื่องของกรรม เริ่จะตรวจสอบได้นะเนี่ยแต่อย่างนี้ก็เริ่มจะมองออกเห็นไหมว่าสัมมาทิฏฐิเนี่ยพยายามตรวจสอบไม่ถูกทีนี้กรรมไม่ดำไม่ขาวให้วิบากไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมนั่นคืออะไรโลกุตระในมรรคกรรมเห็นไหมกรรมที่เป็นสติปฐาน 4, สีสัมมาปรทาน4อิทธิบาทสีอินทรีย์หพลังหพโธชงเจ็อริยมรรคมีองค์8ปงนั้นกรรมเหล่านี้ต่างหากที่จะเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรม เพราะว่าให้วิบากไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมเนี่ยโลกุตละกรรมเนี่ยมรรคกรรมเนี่ยลองไปดูใช่ไหมฉะนั้นจะต้องไปศึกษากรรมเหล่านี้ถ้ากรรมไปทํากรรมเหล่านี้ให้ถูกต้องให้ชัดเจนขึ้นมาที่สุดจริงๆอะหักกรรมแห่งสังสารจักได้ที่สุดจริงๆทําลายกรรมทําลายผลของกรรมได้หมดเลยถ้าอย่างนั้นเรารื้อโครงสร้างของกรรมและผลของกรรมไม่ได้ที่สุดจริงๆกรรมเนี่ใช่ไหมเมื่อทําแล้วผลก็มี เมื่อมีกรรมมีผลของกรรมมีกรรมมีกิเลสมีกรรมมีผลของกรรมอยู่อย่างนี้แสดงว่าเราหักกรรมแห่งในสังสารวัชจักรไม่ได้บ้านหลังนี้น่ะเราลื้อไม่ได้เนี่ยเสียหายถ้ามีบ้านมีไหมที่จะไม่ทุกข์เพราะบ้านเป็นไปไม่ได้เดี๋ยวหลังคาก็รั่วเดี๋ยวใบโยก็พัดเพราะมันมีบ้านเนี่ยรื้อบ้านเลนี่ขันเนี่ยถ้ามีขันอยู่เนี่ยนิดเดียวก็ทุกข์นิดเดียวก็ทุกข์ไหนอย่างเงี้ อันนิจขนาดไหนขนาดเล็กกว่ายุงยังทุกเลยใหญ่กว่าใหญ่ปันช้างยังทุกเลยขนาดช้างยังทุกเลยถึงว่าเล็กขนาดไหนตรวจสอบดูขันทุกขันทุกหมดเนยนะชาติทุกชราทุกมรณะทุกหมดแม้เหลือแต่น้ำมาขันยังทุกเลยงั้นถ้าตรวจสอบพิจารณาให้รอบคอบอย่างนี้แล้วเราจะได้ชัดเจนวันนี้การมีกรรมมีผลของกรรมทํากรรมได้ผลของกรรมเนี่ยมันทุกอย่างยิ่งพระเจ้าบอกว่า ขัเป็นของหนักบริหารยากเงี่ยโสดลงฟังพระพุทธเจ้าบางทีแล้วเราจะเห็นตามถ้าบอกว่าไม่จริงเนี่ยขาดไปเงยหมดแล้วจะทุกยังไงเราก็สะดวกสบายอก็ไม่ใช่แล้วเราไม่เห็นชัดนี่เราไม่เห็นชัดตามความเป็นจริงนี่ถ้าหากกรรมแค่กรรมสักตาสมาทิฐิเข้าใจดีๆยังอยากจะออกเลยวพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเนี่ยทีนี้ในบรรดาสมาทิเนี่ยพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเนี่ยใหม่ๆท่านก็มีกรรมสักตาสมาธินี่แล้ว วิปัสนาสมาธิทิฏฐิของท่านก็เริ่มจะจ่อเขาเนี่ยใหม่ๆก่อนตอนที่ท่านสร้างบา ร, รมีมาท่านยังเบื่อโลกเบื่อการทาขนาดนั้นน่ยแต่ท่านปรารถนาออกเลยทุกปัญญาที่สัมปยุตอริยมรรยผลชื่อว่าโรกุตตราชสมาธิทิฏฐินั้นชัดเจนอยู่แล้วแต่คนที่มีสมาธิทิฏฐิมีสามประเภทในตอนนี้ท่านแยกบุคคลแล้วเห็นไหมคนที่มีสมาธิทิฏฐิมีสามประเภทคือหนึ่งปุตุชนเนยแล้วก็เสกขาบุคคลผู้ต้องศึกษาอีกหนึ่ง าเาศข่าบุคคลผู้ไม่ต้องศึกษาอีกหนึ่งท่านแยกบุคคลแล้วอภุดชนคือปุุชนที่เป็นสัมมาทิฐินั้นต้องเป็นกัลยาณบุุคลเลยเนะเศขาบุคคลในที่นั้นหมายถึงพระโสดาบันสกาธานาคาและบุคคลสายจําพวกนี่ถ้าแยกเป็นบุคคล8ก็คือ7บุคคลเนี่ยโสดามะโสดาผลสกาทาคามะสกาทาคาผลอานณาคามะอาาคาผลอรหัตตมัชยังถือว่าเศขาอยู่เลยทีนี้ทําไมท่านจังเรียกว่าศึกษาศึกษาในราย ศึกษาในอทิศีลอธิจิตอธิปัญญายิ่งยิ่งขึ้นไปคือต้องการพอกพูนศีลสมาธิปัญญาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปท่านจึงเรียกว่าศึกษาคําว่าศึกษาในคันคำนั้นเนี่ยเป็นคำจเจริญอบรมปฏิบัติไม่ใช่ศึกษาเรียนรู้อย่างเดียวนยีไม่ใช่นะพวกเรายังเป็นบุตรชนที่นี้คําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะนูข้อบุคคลสยมามพวกเท่านั้นเองพวกไหนอุคติตันยู วิปจิตันโยเนยยะเว้นปะทะป ร, ะาประมาบุคคลเนะียบุคคลที่จะตัดรู้ตามพระพุทธเจ้าได้เนี่ยมีสามกลุ่มเท่านั้นเองหนึ่งอุคติตันโยผู้ฟังแต่อุเทศแล้วตัดสู้ได้ฟังแต่หัวข้อแล้วตัดรู้ได้เลยอย่างเช่นภาษารีบุตรพระโมคคัลลานะเป็นต้นในกลุ่มพวกนี้โหปัญญาเร็วมาก หรือท่านพระพายะทารุจริยะเนี่ยกลุ่มเหล่านี้เป็นอุคติตันยูงั้นเน่ยหรือวิปปจิตันยูนี่ต้องฟังนิเทศต้องขยายต้องขยายนี่ประเภทนี้วิปปจิตันยูเนี่ต้องขยายเนื้อความอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยแต่ท่านในายะนี่ต้องขยายหลายรอบต้องขยายหลายรอบเลยถ้าปัทถาพรมานี่หันหลังแล้วในกลุ่มนี้บอกไม่ฟังแล้วอย่าว่าจะจะให้ฟังเลยบอกไม่รู้เรื่องยังไงยังไงเราก็นี่ไหม เอาฟังหลายรอบกันยังดีอยู่ยนั่นฟังแล้วฟังอีกฟังแล้วฟังอีกเนี่ยทิ่สุดจริงๆอะน้อมไปที่จะตัดทารุตตามากันได้ฟังแล้วแล้วเราๆแล้ ว, ล ว, ล ว, ลวลไม่หยุดด้วยนะไม่หยุดในการที่จะฟังด้วยนี่ยเพราะว่าจะต้องได้ตัดทารุตตามได้เพราะการฟังเพราะการปฏิบัติตามในกลุ่มเราเนี้ย